ถ้าพูดถึงเรื่องราวของผีนั้นบางคนนะคะอาจจะบอกว่าอย่าเชื่อหากไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองหรือบางคนอาจจะมีการพูดแกมประชดมาบอกว่าผีหน้าตาเป็นยังไงถ่ายรูปมาให้กูดูทีหรือว่าผีเหรอฮะพวกมโนหลอนตัวเองเพอเจอร์ cher, ประสาทเรื่องแต่งหรือเปล่าคนที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยไปรับยาช่องสองด่วนนาณาจิตตังค่ะ มันเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นกับตัวก็ไม่รู้ว่ามีอยู่จริงก็มีเชื่อว่ามีอยู่จริงนะคะคุณผู้ฟังคะหากจะมีใครสักคนหนึ่งที่อาจจะเคยเจอผีจริงๆแล้วมาเล่ารับประกันได้ว่าต้องเคยได้ยินได้ฟังประโยคแบบที่บีเล่าไปเมื่อสักครู่นี้แน่นอนใช่คะ่ะปีเห็นด้วยกับความเห็นเหล่านั้นคุณมีสิทธิ์ในการคิดแบบนั้น ซึ่งคนที่เขาเจอเจอกับประสบการณ์ที่น่ากลัวน่ากลัวเขาเองก็มีสิทธิ์ที่จะเล่าแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาได้ประสบพบเจอมาเช่นกันนะคะอย่างเช่นเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องที่ผู้เล่าเนี่ยมีประสบการณ์คลุกคลีอยู่กับวัดเรียกว่าเป็นเด็กวัดนี่แหละนะคะอยู่มาสามปีเลยบวชเนนอยู่วัดทุกปิดเทอมแล้วก็คลุกคลีอยู่กับวงการผีมาพอสมควร และเรื่องที่เล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์จริงโดยเกิดขึ้นที่บ้านหนองป่าตอตำบลท่าทองอเภอสวรรคโลกจัังหวดสุขโขทยัยความคิดของเจ้าของเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าตอนเด็กๆนะมีการจินตนาการสำคัญเลยละ่ะสำคัญกว่าความรู้โดยความที่บ้านของเขาเนี่ยใกล้วัดวิถีชีวิตก็เลยผูกพันอยู่กับวัดหนองป่าตอแล้วก็งานศพ แล้วก็มีนิสัยเสียอย่างหนึ่งคือกลัวผีค่ะแต่ว่าเวลาเปิดโรงหน้าเมนีจะชอบเบียดแทกผู้ใหญ่เข้าไปเกาะขอบโรงเพื่อดูศพยิ่งได้ข่าวว่าศพไหนตายอนาดตายโหงตายท่ายากมาคือเหมือนมันยิ่งเราใจว่ากูต้องดูให้ได้กูต้องดูให้ได้ประมาณนี้ซึ่งพอดูเสร็จเป็นยังไงล่ะภาพมันติดตาไง ติดไปตอนกินข้าวเลยกลิ่นฟอร์มาลีนฉีดศพนี่ติดจมูกถ้ากลับบ้านเจอแกงเนื้อที่ยายแกงทีไรเนี่ยถึงกับกระเดือกไม่ลงกันเลยทีเดียวเพราะว่าจินตนาการไปว่าเนื้อในถ้วยคล้ายกับเนื้อของศพที่ดูมาตะกี้เลยเจ้าของเรื่องเป็นคนที่ชอบยืนดูตอนเขาเอาศพไปเผานะเพราะเคยได้ยินในความเชื่อ ที่เคยได้ยินได้ฟังมากรอกหูมาว่าอยากรู้ว่าใครไปนรกหรือสวรรค์ให้ดูที่ควันที่ออกจากกล่องเมนหากควันลอยขึ้นสูงขึ้นฟ้านี่แปลว่าวิญญาณไปสวรรค์แต่หากควันลอยลงมาต่ําลงพื้นแปลว่าวิญญาณนั้นไปนรกอีกความเชื่อหนึ่งค่ะนกแสกซึ่งตอนนั้นเจ้าของเรื่องบอกว่าไม่เคยเห็นตัวจริงของมันหรอก แต่ตอนกลางคืนมันชอบบินผ่านหลังคาบ้านส่งเสียงร้องแซกแซกเป็นที่ขนลุกอย่างมากยายก็จะพูดกรอกหูทุกครั้งบอกว่าเอาอีกแล้วจะมีคนตายอีกแล้วและก็แปลกใจคือมีคนตายหลังจากนั้นไม่นานจริงๆแต่พอยิ่งโตขึ้นก็เริ่มสงสัยว่าผีมันมีจริงหรือเปล่าพอสงสัยก็อยากหาคำตอบให้ตัวเองตามระษาคนเรียนเยอะก็เลยไปสอบถามจากคนเท่าคนแก่ที่พอจะรู้จัก เพราะว่าพวกท่านอยู่มานานถ้าผีมีจริงพวกท่านต้องเคยเจอบ้างละ่ะคุณทวดของเจ้าของเรื่องนี่อายุประมาณ80กว่าแต่ว่ายังแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสหูตาดีเดินถือไม่เท้าแต่ว่ายังเดินไปวัดทุกวันพระได้สบายเลยนะทวดผู้หญิงของเจ้าของเรื่องเนี่ยบางทีแกยังปีนขึ้นไปนั่งซอยละมุดบนคารบนคานเขาเรียกว่าไ น, นะ บนคาคบต้นละมุดสูง 3-4 เมตรได้หน้าตาเฉยเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมันก็เลยทำให้สงสัยว่าทำไมต้องไปถามทวดเท่าที่คุยด้วยก็บอกว่าทวดนะ่ะเลี้ยงผีไว้แกก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่ามึงเคยสังเกตบ้างไหมทำไมทวดมึงอายุป่านนี้แล้วยังปีนต้นละมุดได้สบายทั้งที่รุ่นเดียวกันกับทวดมึงเนี่ยทาให้ตายก็นอนผงาผงาไปหมดแล้วเพราะว่าทวดของผมดูแลร่างกายดีหรือเปล่าตา ใช่ที่ไหนล่ะผีที่ทวดมึงเลี้ยงไว้นะ่ะช่วยดูแลนะสินี่คือความคิดของคนเท่าคนแกร่รุ่นเก่าๆที่เขาเชื่อเรื่องพวกนี้นะคะแล้วแกก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกว่าสมัยก่อนนะโจรเยอะบ้านไหนรวยๆมีทรัพย์สินมากโดนแทบทุกหลังจนต้องเอาทรัพย์สินเนี่ยใส่หายฝังดินหนีโจรเท่าที่เล่าให้ฟังบอกว่าสมัยนั้นแกเองก็ยังวัยรุ่นอยู่เพื่อนของแกเนี่ยอยู่ในกลุ่มโจรด้วย ก็เที่ยวมาชวนแกไปเข้ากลุ่มออกปล้นแต่ว่าแกไม่เอาด้วยนะทีนี้เพื่อนคนนี้เนี่ยไปปล้นที่ไหนมาในละแวกท่าทองคลองกระจงหนองชุมแสงวัดเกาะก็เอาเงินเอาทองมาอวดแกบอกว่าแกไปปล้นบ้านนั้นปล้นบ้านนี้มาข่มขืนลูกสาวบ้านไหนมาบ้างมันก็เอามาเล่าให้ฟังจนหมดทีนี้ไอ้เพื่อนของเท่าคนนี้มาบอกเท่าว่าจะเข้าปล้นบ้านทวดด้วยความที่เท่าเองแกก็รู้จักไปมาหาสู่กับทวดอยู่ทั้งสองตลอด แล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่เพราะว่าตอนนั้นที่บ้านทวดเนี่ยก็จะมีพวกยายแล้วก็คนที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยยังเป็นเด็กอยู่ก็เลยแอบไปบอกทวดบอกว่าให้ระวังโจรมันจะมาปล้นนะแกบอกแทนที่ทวดจะแสดงอาการตกใจหรือว่ากลัวนะแกกลับหัวเราะบอกเออให้มันมาดูพอเท่าได้เจอเพื่อนที่เป็นโจรแกก็พูดคุยซักถามบอกเป็นยังไงไปปล้นบ้านนั้นมาได้อะไรมาเพื่อนโจรก็เล่าให้ฟังแหยกบอกว่าได้แต่ผีนะสิ ผีเต็มบ้านหนีกันกระเจิงสะหมดเสือเลยเพื่อนจนเล่าให้ฟังว่าไปซุ่มดูกันอยู่ในป่าข้างบ้านตั้งแต่สี่ทุ่มพอไปถึงนะเห็นคนนั่งเป็นเงาเต็มใต้ถุนเลยมีตะเกียงตั้งอยู่บนแคร่พอให้เห็นว่ามีคนนั่งอยู่เป็นเงานั่งซุ่มกันตั้งนานจนเวลาล่วงไปเที่ยงคืนกลุ่มเงาที่นั่งอยู่เนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลุกไปไหนหัวหน้าจนก็ขัดใจเลยคิดว่ากูไม่รอละ ก็เลยแอบซุบซิบบอกคนอื่นว่าปล้นมันทั้งแบบนี้แหละใครขัดขืนก็จัดการพอกําลังจะบุก ค, ค่ะเงาที่นั่งๆอยู่เนี่ยก็ลุกแต่ไม่ใช่ลุกธรรมดานะพอเงานั้นเดินออกมาพ้นใต้ถุนบ้านก็ยืดตัวสูงขึ้นสูงขึ้นจนจะเท่าต้นขนุนหน้าบ้านเห็นกันทั้งกลุ่มโจรแล้วก็เดินหายวูบเข้าไปในต้นขนุนดือด้อทําเอาเสือเสือเนี่ยร้องลั่นกลายเป็นเสือร้องไห้ไปเลยนะคะแล้วก็พากันกระเจิดกระเจิงไปหมด ต้นขนุนต้นนั้นเนี่ยเป็นต้นขนุนที่ต้นใหญ่มากนะคะประมาณสองคนโอบค่ะตอนที่เจ้าของเรื่องนี้อยู่เนี่ยขนุนต้นนั้นก็ยังอยู่แต่ว่าสภาพนี่ใกล้จะตายเต็มทีแล้วพอเจ้าของเรื่องมารู้เรื่องนี้ก็ไม่เคยเข้าใกล้ต้นขนุนต้นนั้นอีกเลยซึ่งปัจจุบันก็ไม่รู้ว่ายังอยู่ อ, อีกหรือเปล่านะคะเท่าที่คุยด้วยก็บอกว่านั่นแหละอยากรู้เรื่องผีก็ไปถามทวดนั่นแหละไม่ต้องไปถามใครหรอกสมัยก่อนไม่ใครจะมีใครอยากเดินเฉียดบ้านของทวดเจ้าของเรื่องนี้นัก บางทีนะเห็นเป็นเงาคนตัวสูงใหญ่เทียมบ้านเดินวนเวียนไปมารอบบ้านเลยค่ะบางทีก็เห็นเป็นเงาหมาตัวใหญ่เท่ารถแน่นอนอยู่บางคนก็บอกว่าเห็นยืนตาโบอยู่ริมรัว้วเสยะยิ้มให้ในวันโกนบ้างก็มีแต่นั่นก็มันเป็นแค่อดีตเพราะว่าในตอนนั้นนะคะตัวของเจ้าของเรื่องเองก็บอกว่าเที่ยวเดินเล่นเดินไปเดินมาบริเวณบ้านทัวงกลางคืนก็ไม่เคยเห็นอะไรน่ากลัวนะ แล้วก็ตัวของเจ้าของเรื่องเองก็เคยนั่งคุยกับทวดตอนช่วยทวดปอกนุ่นปอกฝกัก อ, ออกจากฝากักเอาใส่กระสอบอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านชวนทวดคุยไปต่างๆนาน า, น า, นานแล้วก็วกไปที่เรื่องผีพอถามทวดบอกว่าที่เขาลือกันว่าทวดเลี้ยงผีไว้นี่จริงหรือเปล่าทวดก็หัวเราะใส่แล้วก็เฉยเยไม่ยอมตอบแต่จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟัง เจ้าของเรื่องนะคะบอกว่าแต่ผมก็เชื่อสนิทใจว่าทวดเลี้ยงผีแน่ยิ่งมาเจอเหตุการณ์ในวันที่ลูกของทวดคนหนึ่งก็คือน้องของยายเจ้าของเรื่องอีกทีหนึ่งซึ่งเรียกแก ว, ว่ายายเหมือนกันแต่ว่าไปมีครอบครัวอยู่ที่อุต ร, รดิตเดินทางมาจากอุต ร, รดิต์เพื่อมารดน้ําดําหัวทวดในช่วงสงกรานต์คนอื่นๆก็สารวจนสารวันอยู่นั่งนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านมียายแกนอนอยู่บนบ้านคนเดียวข้างล่างกําลังพูดคุยกันสนุกก็ได้ยินเสียงกรีดลั่นบ้านมาจากด้านบน ซึ่งบ้านคนสมัยเก่านี่มันจะหลังใหญ่นะคุณผู้ฟังเสาเนี่ยทำจากซุงทั้งต้นไม่มีการถากอะไรอย่า ง, า ง, างใดเลยนะคะแล้วก็มีเสียงวิ่งตึงตึงึงลงมา <schön. S 2> ก่อนจะเห็นยายเนี่ยวิ่งลงบันไดามาแล้วก็เสียหลักพุ่งไปนอนอยู่ที่ดงดาวเรืองริมคนต้นขนุนหน้าบ้านทวดญาตยาศกกลัวเข้าไปเห็นยายตัวสั่นงงนงกร้องแต่ว่ากลัวแล้วกลัวแล้วคือหน้าของยายนี่เห็นได้ชัดว่าแกกลัวสุดขีดก็เลยช่วยกันพยุงแกมานั่งอยู่ที่แคร่ช่วยกันปลอบถามแกว่าเกิดอะไรขึ้นร้องทาไมลั่นบ้านแล้วก็วิ่งลงบันไดามาไม่กลัวตายแบบนั้น ยายก็บอกว่านอนๆ อ, อยู่รู้สึกว่ า, ารู้สึกตัวจะลุกขึ้นพอเปือตาเห็นหน้าใครก็ไม่รู้หน้ากลัวมากผมยาวสยายกระจายอยู่ข้างๆลอยตัวอยู่ตรงหน้าขนานกับตัวแกที่นอนหงายอยู่จ้องหน้าแกเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อแกกลัวก็เลยกรีดออกมาแล้วก็วิ่งลงมานั่นแหละลุงแก่ๆคนหนึ่งที่เจ้าของเรื่องไม่รู้จักเนี่ยที่มาด้วยแกก็ตะโกนขึ้นไปข้างบนบอกว่าลูกหลานมาเยี่ยม อย่ามาหลอกมาหลอนกันได้ไหมอยากให้ลูกหลานช็อกตายหรอเจ้าของเรื่องเองก็แอบสงสัยว่าเอ๊ลุงตะโกนบอกใครแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามนะคะเพราะว่าบนบ้านของทวดนั้นเนี่ยเคยขึ้นไปนับครั้งได้เนื่องจากว่ากลัวรูปถ่ายคนตายก็รูปบรรพบรุษนั่นแหละจะรูปใครละ่ะที่ติดอยู่เป็นพืชเลยบนบ้านทวดแถมยังมีโกดใส่กระดูกเล็กๆบนหลังตู้อีกเวลาทวดใช้ให้ขึ้นไปหยิบเอาของบนบ้านทีไรเนี่ยหูเหมือนจะร้องไห้เลย ไม่เคยเห็นแต่ก็ไม่อยากจะเจอถึงแม้อยากจะเห็นเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งแต่ก็แอบภาวนาในใจตลอดว่าถ้ามาเนี่ยอย่ามาแบบหน้านเละแบบที่จินตนาการเอาไว้เนอขนาดแค่เห็นเงาตอไม้ตอนกลางคืนเนี่ยยังขาแข็งเยี่ยวแทบราดและถ้ามาแบบที่ยายเจอเนี่ยคงหัวใจวายตายพอดีเจ้าของเรื่องเคยบอกเล่นๆกับทวดบอกว่าถ้าทวดตายช่วยมาหาผมด้วยนะผมอยากเห็นผีทวดก็หัวเราะ จนเจ้าของเรื่องนะคะได้จากที่นั่นมาเนี่ยเป็นเวลาหลายปีค่ะทวดก็เสียชีวิตไปทั้งสองคนในเวลาไล่เลี่ยกันตัวเจ้าของเรื่องเองก็ไม่ได้กลับไปเผาศพเพราะว่ามีเหตุการณ์ขัดแย้งกับญาติญาติบางอย่างพอรู้ว่าทวดเสียชีวิตก็ได้แต่เนี่ยนั่งเสียใจเงียบๆภาวนาจิตกล่าวขอโทษทวดที่เหลนคนนี้ไม่ได้กลับไปเผาศพแล้วก็เหลนเคยบอกไปว่าถ้าทวดตายให้มาหาก็ขอว่าอย่ามาเลยเหลนกลัวขนาดฝันเห็น ว่าแกมายืนส่งยิ้มให้ยังกลัวเลยก็ไม่รู้ว่าจะกลัวไปทำไมเนาะทวดก็เคยบอกเอาวไว้ว่าอย่าไปกลัวเขาเลยผีนะ่ะผีก็คือเราเขาก็เคยเป็นคนสักวันเราก็จะเป็นเหมือนเขาผีที่จะออกมาหักคอคนแบบในหนังนะ่ะมันไม่มีหรอกอย่างเก่งก็ออกมาแสดงตนวุบ ว, ว่าบ้าให้คนกลัวเล่นๆ เ, เท่านั้นแหละแต่ทาอะไรเราไม่ได้เขาแค่มาขอส่วนบุญเท่านั้นเองถ้าอยากเห็นผีไม่ต้องพยายามไปหาดูที่ไหนมองไปข้างๆสิ หน้าเมียตอนมันล้างเครื่องสมอางออกเนี่ยแล้วก็นอนน้ำลายยืดกลางดึกเนี่ยมันน่ากลัวกว่าผีบานเบอะเชื่อเหอะเห็นบ่อยๆคุณก็เช่นกันเรื่องผีของทวดที่จะเล่าก็มีเพียงเท่านี้ยังไงขอให้ดวงวิญญาณของทวดไปสู่สุขคติแล้วก็ระลึกในบุญคุณเสมอนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันค่ะ คุณผู้ฟังคะเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงค่ะของคุณวตราพรพิวาพงศ์นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องขอกระ่นหัวเรื่องให้ทราบกันก่อนนะคะว่าคุณวราพรเนี่ยได้ตกลงจองที่พักแห่งหนึ่งสองห้องซึ่งอยู่ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพราะว่ารีสอร์ทนี้เนี่ยบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบแล้วก็ติดลาําธารทําให้ชอบมากๆเลยไปเที่ยวด้วยกันทั้งหมด7คนมีเด็กคนเดียว ะะพอถึงวันเดินทางค่ะก็เก็บกระเป๋าเตรียมตัวเดินทางกันไปพอมาถึงสังขละบุรีก็เวลาบ่ายโมงกว่าๆ ก, ก็หาทางเข้ารีสอร์ทพอเจอทางเข้าก็เลี้ยวมาตามป้ายบอกขอบอกเลยว่าทางเข้ามานี่มันเป็นดินแดงปีกเปียกกรุกรกขระมากทางเข้าลำบากมากกว่าจะถึงก็ประมาณ2กิโลได้เลยนะคะข้างๆทางนี่ยเป็นป่าหมดไม่มีบ้านคนอยู่เลย พอถึงรีสอร์ทค่ะก็มองไปรอบๆของตัวรีสอร์ทคือบรรยากาศเงียบสงัดมากสักพักหนึ่ง ก็เห็นมีพนักงานคนหนึ่งเดินออกมาพนักงานนี่เป็นคนมอนนะคะเพราะว่าพูดสำเนียงทางมอนเลยล่ะค่ะนุ่งเสื้อยืดกับผ้าถุงเดินเอากุญแจห้องมาให้พอได้กุญแจห้องแล้วก็เลยเดินไปที่ห้องเพื่อที่จะเอาของเข้าไปเก็บในห้องค่ะพอเปิดประตูเข้าไปข้างในโอ้โหกลิ่นอับโชยออกมาทันทีซึ่งภายในห้องเนี่อับมากๆเหมือนห้องไม่มีคนพักอาศัยมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้นนะคะ คุณวราพรเองค่ะเดินดูรอบๆห้องดูบนที่นอนก็เจอขี้หนูขี้จิ้งจกขี้แมงสาบเจอทุกสัพสั์เลยก็ว่าได้แต่สักพักหนึ่งพี่ที่มากับคุณวราพอรอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาตกใจร้องกรีดเสียงดังขึ้นนะคะคือพี่เขาอยู่ห้องข้างๆกันก็เลยได้ยินก็เลยรีบวิ่งไปดูว่าเป็นอะไรนะคะ พอคุณวราพรวิ่งไปถึงค่ะถึงได้รู้ว่าพี่เขาเจอตุกแก่ตัวใหญ่มากอยู่ในห้องน้ำข้างในห้องน้ำนี่มีหยากย้าตเต็มไปหมดเลยเหมือนไม่มีใครอยู่มายาวนานมากจริงๆค่ะแถมผ้าปูที่นอนนี่มันเหมือนมีรอยเลือดติดอยู่นะคะทุกคนในทัวร์ครั้งนี้ก็เริ่มใจคอไม่ดีกันละทีนี้ก็เลยพากันเอาของออกมาแล้วก็ให้แม่บ้านที่นั่นเนี่ยทความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนห้องให้ใหม่นะคะ ระหว่างรอก็ขับรถกันออกมาข้างนอกเพื่อหาซื้อของไปกินกันตอนเย็นทีนี้พอซื้อเสร็จก็กลับเข้าไปที่รีสอร์ทขนของที่ซื้อมาเข้าไปแล้วก็จัดของกันคุณวราพรลืมบอกไปบอกว่าห้องเราทั้งสองห้องเนี่ยระเบียงมันติดกันนะพอขนเสร็จปุ๊บม า, น, มานั่งกินข้งกินข้าวกันริมระเบียงค่ะคุยกันเล่นจนเริ่มมืด พี่ที่อยู่อีกห้องหนึ่งเดินเข้าไปหยิบของในห้องแล้วก็ตอนที่พี่เขากําลังก้มหาของอยู่เนี่ยแกรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาเปิดประตูแล้วก็เดินตามแกเข้ามาในห้องพอแกหันหน้าไปค่ะไม่มีใครพอแกหาของเจอแกก็รีบเดินออกมาตรงระเบียงและแกก็ถามว่ามีใครเข้าไปในห้องไหมทุกคนก็บอกว่าไม่มีนี่อยู่ระเบียงกันหมดก็นั่งเล่นกันอยู่เนี่ย แกก็เลยมานั่งกินข้าวต่อนะคะแต่ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังสักพักหนึ่งพอกินข้าวเสร็จก็ต่างคนต่างแยกย้ายเข้าห้องเตรียมตัวอาบน้ำนอนแล้วทีนี้เนี่ยพ่อของคุณวราพรเกิดเป็นห่วงพี่เขาเพราะเห็นพี่เขาเป็นผู้หญิงทั้งคู่ก็เลยเอาเชือกที่ติดมาด้วยเนี่ยไปผูกไว้กับลูกปิดประตูแล้วก็มัดกับขาเตียงอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้ข้างนอกเนี่ยเปิดเข้ามาได้ แล้วก็ล็อกประตูทุกบานในห้องของพี่เขาด้วยนะคะทีนี้พอเสร็จแล้วคุณวราพรก็นอนดูทีวีกันสักพักหนึ่งเริ่มมีเสียงมาเคาะที่หน้าต่างห้องแล้วแหละพ่อก็คิดว่าพี่อีกห้องมาเคาะตรงประตูระเบียงซึ่งระเบียงมันเป็นประตูกระจกนะคะแล้วก็ไปเปิดพมาด่านดูมันก็ไม่มีอะไรพอเดินกลับไปค่จะนอนก็มีเสียงเคาะอีกครั้งพ่อก็เลยตะโกนไปบอกว่ามาเคาอาศัยนอนน้อยไม่ได้มาทําอะไรไม่ดี ยังไม่ทันขาดคําค่ะมันก็มีเสียงเคาะขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่3พ่อก็เลยตะโกนไปบอกว่าจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยคนจะนอนเดี๋ยวยิงไส้แตกเลยและเสียงเคาะก็เงียบไปแต่ไม่เกิน10นาทีค่ะมันมีเสียงดัง ต, ตึกตึกตึกตึกตึกอยู่บนหลังคาค่ะเหมือนมีคนเดินอยู่บนนั้นแบบใช้ส้นเท้าลงแบบลงเดินย่ํำหนักๆบนหลังคาอีกแป๊บหนึง่งเสียงนั้นก็ย้ายมาอยู่ตรงระเบียงนอกห้องแทนเหมือนกับว่ามีคนเดินอยู่ตรงระเบียง แต่ทีนี้เนี่ยคุณวราพรบอกว่าเรากลัวมากไมกล้าที่จะลุกไปดูพ่อกับแม่ก็หลับไปแล้วอีกอย่างหนึ่งข้างนอกมันมืดมากมีแต่ป่าไฟก็ไม่มีกลัวก็กลัวนอนกันไม่ได้เลยก็เลยตัดสินใจพิมพ์ลายไปถามพี่ข้างห้องว่าหลับกันหรือยัง พี่ก็เลยไลน์กลับมาบอกว่าหลับไม่ได้เลยนอนๆ อ, อยู่กำลังจะเคลิ้มได้ยินเสียงของตกอยู่ข้างๆเตียงเนี่ยแบบชัดมากเหมือนประมาณว่าคนแขวนกางเกงที่มีเข็มขัดติดอยู่แล้วก็หัวเข็มขัดเนี่ยมันตกลงกระแทกพื้นห้องประมาณนั้น หลังจากนี้คือที่พี่เขามาเล่าให้ฟังตอนออกมาจากรีสอร์ทแล้วนะคะโดยที่พี่คนนั้นเนี่ยกับอแกบอกว่าพอได้ยินเสียงนั้นแกก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกก็เลยรีบสวดมนต์มองไปรอบๆห้องก็ไม่มีของอะไรหล่นแล้วเสียงมันมาจากไหนวะ แบบนี้ไม่ใช่คนแน่นอนเลยแถมหมานี่มันก็ดันเหา่าดันหอนไม่ยอมหยุดหอนไล่กันมาตั้งแต่หน้ารีสอร์ทแล้วก็มาหยุดตรงหน้าห้องพี่เราทีวีในห้องพี่ก็ดันติดติดดับๆับเหมือนสัญญาณขาดหายไปชั่วขณะแต่ดันไปประจวบเหมาะมากที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับเราก็คือตอนตี2ค่ะพี่ก็เริ่มทนไม่ไหวละแกก็เลยพูดออกไปบอกว่าถ้ามาแบบนี้กูแช่งไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเลยนะ แล้วก็รีบสวดมนต์อี ก, กรอบสติก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วละ่ะทีนี้สวดวนไปวนมาจนประมาณตีสี่ก็เริ่มหมดแรงนอนคลุมโปงเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นมาอีกทีหนึ่งคือแปดโมงเช้าแล้วพ่อของคุณวราพรเนี่ยก็เลยไปที่ห้องพี่เขาเพื่อจะไปแกะเชือกที่ผูกไว้กับประตูค่ะคือผูกไว้กันขโมยแต่งงนะงงมากเลยเพราะลูกบิดเนี่ยมันถูกเปิดออกเหมือนคนเปิดประตูห้องแล้วก็เปิดแงม้มไว้นิด แต่ว่าโชคดีหน่อยหนึ่งเนี่ยคะที่ติดเชือกไว้ก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนตกใจกันหมดค่ะเพราะว่าพ่อนี่เป็นคนล็อกแล้วก็ลองดึงดูแล้วไม่น่าจะมีใครมาเปิดได้และพวกพี่เขาก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงใครมาดึงประตูเลยเพราะว่ากว่าจะหลับก็ตีสี่แล้ว หลังจากนั้นก็ไม่มีใครพูดพร่ำทําเพลงอะไรค่ะทุกคนแยกย้ายกันอาบน้ําเก็บข้าวเก็บของเพื่อที่จะออกจากรีสอร์ทนี้ให้ไวที่สุดพอถึงบ้านก็เลยมานั่งคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ว่าสิ่งที่เจอมาเนี่ยมันคนหรือว่าผีแต่ทุกคนค่ะไม่สามารถหาข้อมูลหรือว่าสรุปอะไรได้แต่น่าแปลกใจตรงที่ว่าใครมันจะขึ้นไปเดินอยู่บนหลังคาคือมันต้องเป็นเท้าของคนแน่ๆเลยประมาณว่าเดินแบบใช้ส้นเท้าลงย้ําย้ําไปมาอยู่แบบนั้น จนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่คุณวราพรพิวาพง์นะคะเป็นเจ้าของเรื่องนี้ค่ะ